พิสูจทั้งหลายเครื่องเศ้าหมองอย่างหยาบของทองมีอยู่คือดินร่วนทรายค้อนกรวดและกระเบื้องคนล้างฝุน่นหรือลูกมือของคนล้างฝุน่นย่อมเรียรายทองนั้นเทลงไปในรางน้ำแล้วล้างล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมด เมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วทองนั้นก็ ย, ยังคงมีเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดใายอย่างหยาบคนล้างฝุน่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นนั้นก็ย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมด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 เมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดจนหมดแล้วทาให้มันสิ้นสุดลงแล้วคราวนี้ก็ยังคงเหลือกองใส่ทองช่างทองหรือลูกมือของช่างทองก็ใส่ทองนั้นลงในเบ้าหลอมแล้วเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ยังไม่ติดสนิทแน่เป็นเนื้อเดียวกัน ยังไม่ถูกนำเอารถฝาดออกมันย่อมไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานของช่างทองไม่ทรงรัศมีมีเนื้อร่วนและไม่เหมาะสมแก่การกระทำของช่างทองช่างทองหรือลูก ม, มือของเขาก็ย่ำเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ในสมัยใด สมัยนั้นมีอยู่ทองนั้นถูกเป่าถูกเป่าแล้วเป่าเล่าถูกเป่าจนได้ที่ติดสนิทแน่เป็นเนื้อเดียวกันถูกนําเอารถฝาดของทองออกหมดทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนกวนแก่การงานของช่างทองส่งรัศมีเนื้อไม่ร่วนและเหมาะสมแก่การกระทาของช่างทอง ถ้าใครปรารถนาจะกระทมเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวนตุ้มหูส่อยคอหรือสวรร ม, มาลาก็ตามก็สำเร็จประโยชน์แก่เขานั้นนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันอุปกิเลสอย่างหยาบคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตของเธอผู้ใดผู้ประกอบความเพีย ในจิตอันยิ่งยังมีอยู่เธอผู้ที่มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบันเท่าอุปกิเลสอย่างหยาบของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นไปแล้วเธอผู้ประกอบความเพียรในจิตอันยิง่งก็ยังคงมีอุปกิเลสอย่างกลาง คือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเธอผู้ที่มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบันเทาอุปกิเลสอย่างกลางของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นสุดแล้ว เธอผู้ประกอบความเพียรในจิตนันยิ่งก็ยังคงมีอุปกิเลสอย่างละเอียดคือความคิดถึงชาติความคิดถึงชนบทและความคิดอันประกอบด้วยความไม่ดูหมิน่นเธอผู้ที่มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบันเท่าอุปกิเลสอย่างละเอียดของใจตนนั้นเสียทําให้มันสิ้นไปให้หมด เมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นสุดแล้วก็ยังคงเหลือธรรมวิตกต่อไปเท่านั้นสมาธินั้นยังไม่ละเอียดไม่ประณีตไม่ได้ความสงบระ ง, งับยังไม่ได้ถึงความเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นยังมีการห้ามการข่มกิเลสด้วยทำเครื่องปรงแต่งพิสูจน์ทั้งหลายสมัยใด จิตดำรงอยู่ในภายในสงบเป็นธรรมอนเนกพุดมีขึ้นตั้งมั่นอยู่สมัยนั้นสมาธินั้นเป็นธรรมละเอียดประณีตได้ความสงบประงับถึงความเป็นธรรมเอกพุดมีขึ้นไม่มีการห้ามการข่มกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งและเมื่อเธอนั้นจะน้อมจิตไป เพื่อจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเธอย่อมรู้เห็นเป็นพัญนในธรรมนั้นนั้นเมื่ออิัตนะยังมีอยู่ข้าพเจ้าพระปัยบุญอภิปุนโนจ้างวัดป่าดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวัน ในวันอย่างนี้ก็นำเรื่องพระสูตรต่างๆที่พระพุทธชาได้แสดงเอาไว้มาอธิบายให้ฟังในวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของพระสูตรพระสูตรหนึ่งชื่อว่าสังคสูตรมาในอังคุตระนิกายนะตัติกานิบาตนะคือบดที่สามพูดถึงทองคำท่านฟังนะถ้าท่านฟังมีทองคำอยู่ที่เราใส่เป็นสร้อยคอแหวนต้มหู วงมาลายอะไรต่างๆที่เขาทําเป็นเครื่องประดับวินิสมาลาออกมาเนี่ยอทองคํานั้นอาจจะเป็นทองค 9, 6, ํา9กหรหรือว่า 99.99% สิก้าก็แล้วแต่เป็นทองคําแท่งเป็นทองคํารูปภัณ์ น, นาราคาก็ขึ้นขึ้ น, น, นลงๆตามตลาดโลกไปนะซึ่งทองคําตรงนี้มาจากไหนก็ต้องมาจากร้านทองถูกไหมร้านทองมาจากไหนก็ช่างทองเขาตีเขาหลอมเขากรแทกออกมาเป็นรูปร่างออกมา นาช่างทองเอามาจากไหนนาช่างทองเขาก็เอาทองเนี่ยต้องมาหลอมก่อนนาทองวัตถุดิบที่มันมามันอาจจะเป็นผงบ้างอาจจะเป็นแท่งบ้างใช่ไหมถ้ามันเป็นแท่งส่วนผสมมันยังไม่ได้เขาก็ต้องผสมให้มันได้นะมีส่วนผสมอย่างเช่นทองค 9, 6, 5, ํเก้าหกหนาเขาเรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอีเมลกัมนาเป็นส่วนผสมเป็นอัลอยของทองคำํำนะเพื่อให้ทองคํามันขึ้นรูปได้ซึ่งในกระบวนการที่เขาทำ เขาต้องเอามันหลอมเข้าด้วยกันนะเอาผ่านความร้อนแตนะ่ถ้าแปลว่าร้อนเกินไปทองก็ไหม่แตนะถ้าแปลว่ า, าใช้พรมน้ํามากเกินไปให้มันเย็นทองมันก็ไม่ผสมกันเข้าที่รสฝาดมันก็ยังไม่ออกนะต้องทําพอดีพอดนะีกระบวนการที่เขาทํานี้บางทีเขาก็ใช้ผงทองซึ่งเอามาจากตรงกระบวนการนี้อาจจะทําที่เหมืองเหนือเหมืองทองคําตรงนู้นถามว่าไอ้ผงทองคํานี่เขาเอามาจากไหนนะเขาก็เอามาจากการล้าง นะมาจากดินก็เรียกว่าสินแร่ทองคําแต่เขาไปทําการตรวจสอบทดสอบมาเอาบริเวณนีนะ้ดินบริเวณนี้มีแร่ทองคําอยู่แตนะ่เขาก็ตักดินมาแล้วก็ล้างแตนะ่ถ้าล้างด้วยเครื่องล้างเครื่องตะกรงตะแกรงอย่างละเอียดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันมีกรวดมีหินอะไรต่างๆก็ต้องล้างด้วยตะแกรงอย่างหยาบก่อนนะไม่ไงั้นมันจะติดในตะแกรงล้างได้มันก็จะพังได้งานก็ไม่เดินแ ต, แต่ว่าถ้าล้างอย่างหยาบ เราก็ไม่ได้ทองคำมันก็มีเศษอะไรปนมาเยอะแยะเขาก็ต้องล้างอันรอบที่สองล้างรอบที่สองเศษที่ออกมาก็ต้องเอามาใช้ล้างอีกนะเพื่อไม่ให้ทองคํามันหลุดไปนะล้างไปสลับไปสลับมามีการรีไซเคิลมีการใช้ซ้ําไปซ้ํา ม, มานะล้างอย่างกลางแล้วนะก็จะมีพวกทรายอย่างละเอียดกนะ้อนกรวดทรายอย่างหยาบก้อนกรวดอย่างละเอียดยังมีอยู่แล้วนะก็ล้างอีกจนะนกระทั่งล้าง ถึงอย่างละเอียดแล้วก็จะมีเศษกระลำพักนะก็ไปถึงเศษที่มันเล็กๆ เ, เท่าทองนั่นแหละแต่ว่าเป็นวัสดุอย่างอื่นเขาก็ต้องเลือกเอาไปมีคุณสมบัติความหนานแน่นไม่เท่ากันปั่นออกมาก็แยกกันไปจนกระทั่งเหลือแต่กล่องใส่ต่องอย่างดี่ว่าแต่ซึ่งกระบวนการที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการพระพุทเาเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับจิตของเราท่านผู้ฟังจิตของใครสักคนใดคนหนึ่งของท่านผู้ฟังของพระพระุทาของตัวข้าพเจ้าเอง ของพระประเจริญผู้ชาองค์ไหนไหนหรือของใครก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่ไหนจังหวัดอะไรประเทศอะไรก็จะเป็นลักษณะนี้ว่าถ้าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์พุทผ่องได้เนะี่ะเปรียบเหมือนกับทองคําที่ท่านผู้ฟังมีเนะ่ยเป็นทองรู ป, ปรพันธร์ใส่แล้วสวยงามต่างๆแนะจะออกมาถึงตรงนั้นได้แม้มันผ่านกระบวนการมาหลายอย่างเนะีเหมือนการจิตของเราจะเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์จิตบริสุทธิ์ใสสว่างใสปิง๊ง เป็นจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ตลอดเวลานะไม่ถึงความกลับกําเริบเป็นจิต ท, ที่มีความสว่างสวัยจะเป็นจิตอย่งงางนั้นได้มันผ่านมาหลายอย่างมันผ่านมาหลายอย่างนะจุดหนึ่งที่จะต้องเจอนะก็คือเหมือนอย่างทองคาก็จะต้องเป็นทองที่เป็นเนื้ออ่อนนะมีรมัศมีเนื้อไม่ร่วนนะเหมาะสมแก่การที่จะขึ้นรูปได้นะถ้าเนื้อร่วนมันจะตีปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมันก็แตกโพ อ, ออกมาเป็นเนื้อเปร่า เนื้อร่วนไม่เหนียวไม่อ่อนแต่เนื้อแข็งนั่นะก็ขึ้นรูปไม่ไดนะ้เหมือนการจิตของเราถ้าเป็นจิตกระด้างนะเป็นจิตที่แกร่งเป็นจิตที่แข็งเป๊กนะมันก็ไม่ได้นะซึ่งพระุทาอธิบายจิตลักษณะนี้เปรียบเทียวกับทองคำเนื้อดีนะที่เข้ากันเรียบร้อยรถฝาดในทองคำออกไปหมดแล้วนะเหมือนการจิตที่เป็นสมาธิอย่างละเอียดเลยนะเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่ อ, อ่น อ, อนเหมาะ นะไม่ใช่ว่าอ่อนแอนะท่านฟังนะแต่เป็นจิตที่ยืดหยุ่น น, นั่นเองนะวิรัยมีอะไรมากระทบไม่ใช่แข็งโปกสวนกลับไปเลยนะดากลับไม่อย่างนั้นนั่นะไม่ใช่ว่าจิตมีสมาธิแต่เป็นจิตที่รับได้บุ๋มได้นะเหมือนไทเก็กเนี่ยเอารับมาวุบแล้วก็ผันพลังงานกลับไปนะจิตเราถ้าเป็นจิตที่อ่อนนะก็ไม่มีความแข็งกระด้างนะทุกอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้นะเป็นจิตที่ละมุนละไม เป็นจิตที่สว่างไสวคุณจะเข้าถึงสมาธิระดับนี้ได้แต่มันก็ต้องผ่านการกระทำให้มันละเอียดให้มันนุ่มนวลนุ่มเนียนแต่ท่านฟังเคยเห็นเวลาที่เขาปั้นหม้อเนี่ยดินเหนียวที่เขาจะเอามาปั้นหม้อเนี่ยโอต้องเป็นดินเหนียวที่ละเอียดแตถ้าท่านฟังเอาดินเหนียวทั่วไปเนี่ยมาดูมาปั้นหม้อโอ้มันมันขึ้นรูปไม่ได้นั่นเนื่องจากความที่มันร่วนมันที่มันแกร่งมันความที่มันหยาบ นะเขาต้องอมาขวนก่อนข่นะวนแยกส่วนประกอบที่มันหยาบหยาบออกไปเหมือนกันเลยดินเหนียวนะทําปั้นหม้อเหมือนกันนะหรือว่าแม้แต่ช่างแกะสลักนะช่างแกะสลักที่เขาจะเอางานมาแกะสลัก เ, เขาต้องฝนเขาต้องขัดนะถ้านึกถึงงานไม่ออกจะนึกถึงช่างแกะสลักไม้ก็ได้นะเขาใส่ไม้หรือว่าเอากระดาษทรายมาฝนจนละเอียดนะให้เนื้อของไม้เนื้อของงานนั้นงานช้างอย่างเงี้ยนะมันละเอียด เหมือนกันเราจะต้องทำจิงขอเราให้ละเอียดไล่มาตั้งแต่อะไรตั้งแต่เรื่องศีลนะฟัง เ, เรื่องศีลทางกายทางวาจาศีลนี้เพื่อรักษากายรักษาวาจาอันนี้เปรียบเหมือนกับการที่เรากรองอิเลตอย่างยาออกไปก่อนเนะืเรื่องกายวาจาเรารักษาให้ดีนะืไม่ประพ ฤ, ฤติผิดทางกรรมไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์พวกนี้นะืไม่ดื่มสุราอันเป็นเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนะืเราทําตรงนี้ได้ จิตของเราได้รับการรักษาในระดับหนึ่งแต่บางทียังมีความแบบหึมฟุง้งไม่พอใจเขาด่าก็จีดแต่รักษาศีลได้อยู่แต่ซึ่งในความจีดบ้างความไม่พอใจบ้างความขัดเกื่อนนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสอย่างกลางแตนะซึ่งเราจะละได้แตนะเราก็ต้องใช้เครื่องมืออย่างกลางกลเรียกว่าตะแกล ง, ล, ง, ง, กกก ล, งล้างอย่างกลางๆลาแต่ตะแกลงล้างอย่างหยาบนี่ก็คือศีลถูกไหมตะแกลงล้างอย่างกลางนั่นกะ็พูดถึงเรื่องสัมมาสังกปปะนะเพราะว่ากิเลส อย่างกลางคืออะไรคือมิจฉาสังกปะคนที่มีสัมมาสังกปะเนี่ยจะกําจัดมิจฉาสังกปะออกไปได้มิจฉาสังกปะคืออะไร่คือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบี้ยนและบางที่มันมีอยู่คือจิตเรานะี่ยรักษาศีลได้ก็จริงนตะ่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บริสุทในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราไม่ไรล ะ, แ, ละแต่ยังคิดในทางการอยู่อยากอ ย, กอยูนะ่ช่วงในพรรษาบางคนไม่ดื่มเหล้าทําได้ดีมากเลย แต่มันยังอ ย, อยากอยู่บ้างบางทีนะบางทีก็จี๊ดเขาด่าว่าเห็นคนเขาพูดดาวทีวีเรื่องที่เราไม่พอใจเราก็จี๊ขึ้นมาเห็นคนทําสิ่งที่เราไม่ต้องการก็มีความพยาบามบมีความกุ่นเครื่องกัดเครื่องอันนี้มันมีได้อยู่แต่อาจจะยังไม่ด่าเขาอาจจะด่าอยู่แต่ก็ไม่ไม่ใช่วาจาที่โกหกแต่พอจะควบคุมได้บ้างอันนี้เราจ ะ, ะทํากิเลสอย่างกลางให้มันออกไปได้ให้มันลาบไปได้ก็จะต้องมีสติบ้างนิดนึง นะใช้สัมมาสังกปะเป็นตัวที่จะขับเจ้ามิจฉาสังกปะไปแตนะ่ถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วดีละสัมมาทิฏฐินี้จะพาสัมมาสังกปะมาได้ถ้าคุณมีความเห็นในลักษณะอย่างเงี้ยที่ว่าจิตเราต้องทําให้ละเอียดขึ้นไปเอานี่คุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะ่ทําความคิดเอาพยายามแบ่งความคิดของฉันออกเป็น2 ส, ส่วนนะส่วนที่ไม่ดีแยกไปฝั่งหนึ่งส่วนที่ดีแยกไว้ฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นกระบวนการเดียวกันกันกบที่โพธิสัตว์นั่นะคือพระภุชธของเราเนี่ยก่อนการตรัสรู้ นั่นตอนนั้นเป็นโพธิสัตย์อยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพยังไม่บรรลุธรรมนะก็ผ่านกระบวนการนี้เหมือนกันแตนะ่มีสติอยู่ในเรหมายใจแบ่งความคิดเราเป็น2 ส, ส่วนส่วนที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปส่วนที่ดีก็เก็บเอาไว้นะเราเลึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ได้ดีนะซึ่งไอ้สัมมาสังกปะนี้เป็นสิ่งดีแน่เราระลึกถึงมันตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีปันธะอะไรแต่แต่ว่ามันอาจจะยังมีความที่จิตของเรามันไหลไปสิ่งที่ไม่ดีนะก็เลยทำควรทำให้มันละเอียดขึ้นไป ในความละเอียดขั้นถัดไปนั่นก็คือความที่เรากําจัดนิวรณ์ออกใหได้น่นะทําจิตให้เป็นสมาธิการที่เราจะกําจัดนิวรณ์ออกให้ได้ทําจิตให้เป็นสมาธินะนิวรณ์คือเครื่องกางกางั้นทัางหมดนั่นะทําปัญญาให้ถอยกําลังใครที่จิตมีนิวรณ์นะ่า จ, จะทําให้สมาธิเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรบางคนอาจะมีความคิดว่าเอ้ยฉันมีสัมมาสังกปปะแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นทันทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียกบกับอะไร นะเปรียบเทียบกับคนที่เอาควายไปเลี้ยงเอาวัวไปเลี้ยงนะตามทุ่งนาตามทุ่งนานี่ถ้ามันยังมีข้าวกล้ามีสิ่งอะไรที่วัวควายไปกินแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเขาคุณไปเลี้ยงวัวนะคุณพาวัวไปวัวไปกินข้าวต้นข้าวของคนอื่นเขาเนะขาก็จะปรับสินไหมคุณอันนี้เปรียบกับคนที่มีมิจฉาสังกปะคุณจะต้องคอยระวังวงคุณอย่างมากนะวัว น, นี่เปรียบเหมือนกับจิต แตที่จะไปคอยเสพอารมณ์นั่นคือต้นข้าวตรงนั้นตรงนี้ถ้าคุณไปกินต้นข้าวเขาเดี๋ยวคุณจะต้องถูกปรับแน่แต่ถ้าคนที่มีสัมมาสังกปะน่นก็เปรียบเหมือนกับคุณพาวัวไปเลี้ยงกลางทุ่งแจ้งๆข้าวต้นข้าวกล้าพันุพืชอะไรต่าง ๆ, ๆเขาเก็บไปหมดแล้วแล้วคุณก็อยู่ใต้ร่มไม้ธรรมดาแล้วก็ทาําใจแค่ว่าวัวควาอยอยู่ตรงนั้นโคอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่กินยังไงก็ไม่ต้องไปดูแลมันมากแต่ว่าตรงนี้คือประเด็น วัวควายนั้นอาจจะหายได้อาจจะวิ่งไปที่อื่นได้เราก็ต้องคอยมาดูแลมันอยู่เรื่อยๆนะซึ่งมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่เกิดจากวัวควายนั้นได้อยู่แตนะ่คนที่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะหรือว่าคนที่เคยเห็นเคยผ่านประสบการณ์หรืออาจจะเคยดูหนังที่มันเกี่ยวข้งของกับเรื่องนี้จะทราบอยู่นะว่าการเลี้ยงวัวควายบางทรมันก็ไม่ใช่ง่ายนะก็จึงต้องมีการที่ทําจิตนั้นให้ละเอียดลงไปนะเพราะบางทีเรื่องที่เราคิดมันก็ผวนกลับไปคิดในเรื่องที่เป็นอกุศลก็มี นะสู้ไม่ต้องคิดเลยดีกว่านะการที่ไม่ต้องคิดเลยมันยังจะดีกว่านะซึ่งกระบวนการนี้คือทําำเจ้ า, ากิจิตของเราเให้ละเอียดลงไปสิ่งที่เราต้องใช้ในตรงนี้ก็คือสัมมาสมาธินะําเปรียมเส ม, มือนกับเครื่องล้างอ ย, ายาา่างละเอียดนเครื่องล้างอย่างยาเราพูดถึงศีลถูกไหมเครื่องล้างอย่างกลางเราพูดถึงสัมมาสังกปะเครื่องล้างอย่างละเอียดเราพูดถึงสัมมาสมาธินั่นเองนะคือลักษณะของชานทั้ง4ี่หนึ่งฌานหนึ่งฌาน2ชงาน3ามฌาน4 นะล้างให้ดีล้างให้ละเอียดละเอียดขึ้นมาแล้วเป็นจิตที่นุ่มนวลอ่อนเหมาะควรแก่การงานเนะืเหมือนกับทองคําที่เขาล้าออกมาแล้วผ่านการหลอมแล้วนะออกมาเป็นทองคําที่มีเนื้ออ่อนพร้อมที่จะเอาไปขึ้นรูปเป็นกําไลเป็นสร้อยคอเป็นต้มหัวอะไรต่างๆได้เหมือนกันจิตที่มีความอ่อนเหมาะจิตที่มีความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างนะอ่อนน้อมเป็นจิตที่สามารถจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ คุณเอาไปจี้กับอะไรคุณเอาไปจี้กับข้อสอบผานขึ้นมาเลยนะคือคุณก็จะสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้คุณเอาไปจี้กับเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่ได้ด้วยจิตแบบนี้งนั้นจิตแบบนี้ไปจ่อที่ไหนมันก็จะเป็นสว่างขึ้นมามันก็จะเป็นสิ่งที่สําเร็จขึ้นมาแต่สิ่งที่พระเจ้าให้น้อมไปคือน้อมไปในการที่จะตรัสรู้ธรรมน้อมไปในการที่จะเห็นเรื่องของอิริยาบถสีให้มันตามเป็นจริง กระบวนการตรงนี้นี่หนึ่งท่านผู้ฟังจากการที่เรามีสัมมาสังคปะเนี่ยแล้วเราจะมามีสัมมาสติได้เนี่ยซึ่งพระรูช า, าเปรียบเหมือนกับคุณล้างอย่างกลางใช่ไหมแล้วมาล้างอย่างละเอียดไอ้ตรงล้างอย่างละเอียดคุณเอาสะเก็ดกระลำพักออกคุณเอากรวดทรายอย่างละเอียดออกเหลือกองทรายทองคุณต้องมาหลอมด้วยเนะมันล้อมมาเป่านีตรงนี้ใช้คนละคนช่างนะคนละช่า ง, นะงแล้วตอนที่ล้างนี่เป็นคนล้างฝุน่น นะครับสับที่เขาใช้ก็คือคนล้างฝุ่นแต่ตอนที่เอาพวกทรายทองเนี่ยมาหลอมมาเป่าเนี่ยต้องเป็นช่างทองเป็นคนละคนในันนี้แสดงให้ถึงว่าเครื่องมือที่เราใช้นะมันก็ต้องเปลี่ยนไปลนะมีความละเอียดมากขึ้นใช้ทักษะคนแบบที่ที่ละเอียดมากขึ้นดังนี้เรามีสัมมาสังกปะในเรามีความระลึกที่ถูกต้องในคุณมีความระลึกที่ถูกต้องกับคุณรักษาสีอย่างดีแล้วนะสิ่งที่จะถัดมานั้นก็คือสัมมาวายามะ สัมมาสติจนถึงสมาสมาธินะซึ่งสัมมาวายามะสัมมาสติและสมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของใจแล้วนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าอธิจิตนะคือคนที่ทำความเพียรทางจิตอันยิ่งนะจะรวมอยู่ในหมวดนี้นะสมาธิที่สมาสังกปะนี่ยังเป็นเรื่องของทางปัญญาปัญญาดูแลศีลใช่ไหปัญญาศีลสมาธิคือเรื่องอธิปัญญาอธิศีลแล้วก็อธิจิต นะซึ่งเรื่องของอธิจิตนี้ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็ส ม, มาสมาธนะิซึ่งกระบวนการของสัมมาวายามะเนี่ยหรือสัมมาสติเนี่ยบางทีมันยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นนี่าเราบางทีคนที่ฝึกในการที่จะมารู้ลมหายใจเนี่ยโอ้ไม่ได้ความสงบไม่ได้ความระ ง, งับไม่ได้เห็นความสุขเจอจากสมาธิเลยและบางทีมันเป็นนตะ่เพราะว่าเรายังมีการ หฝืนการมีการห้ามการข่มจิตด้วยทําเครื่องปรุงแต่งอะไรพวกนี้ยังมีอยู่พยายามห้ามไม่ให้จิตของเรามีเรื่องที่เป็นอกุศลนะทําให้ชํานาญทําให้ละเอียดมากขึ้นทำให้ชํานาญทําให้ละเอียดมากขึ้นก็จะทำสมาสมาธิเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างคนที่มีสติอยู่ในลมหายใจเป็นตะ้นคุณฝึกสติอยู่ในลมหายใจนะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเป็นรูปแบบนะหรือเฉพาะเวลาที่เราเดินจงกรม เราควรจะต้องทำทุกเรียบทณนะเราเลกได้เมื่อไหร่ทําตอนนั้นตอนรอลีฟตอนที่รอประชุมตอนรถติดนะตอนกําลังเดินทางอยู่ณนะหรือว่าตอนไหนๆก็ตามที่เราพอจะฝึกได้ณนะทาให้มันละเอียดมันก็อยู่กับชั่วโ ม, มงบินด้วยเหมือนกันณนะอยู่กับกิจกรรมที่ทำทำซ้ำําทําย้ามันก็จะมีความจําหนงขึ้นมาได้ซึ่งการทําตรงนี้ที่ซ้ําๆย้ำๆเนี่ยพระเจ้าใช้คําว่าบริกรรมนะคือบริกรรม วงรอบทำรอบทำใหม่ทำรอบทำใหม่ทำเหมือนเดิมซ้ำไปซ้ำไปน่ะมันกับเวลาเขาตัดถนนน่ะเขาตัดถนนจากที่นี้กรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปสุวรรกภูมลกนะเขาก็ทํำไปตามกระบวนการเดิมน่ะไม่ว่าถนนเส้นนั้นจะผ่านป่าผ่านเมืองผ่านผููเขานะก็จะมีกระบวนการหลักๆที่เหมือนกันน่ะคือเอาดินมาบดให้แน่นเอาคอนกรีตหรือลาดยางเทลงไปน่ะก็จะเป็นกระบวนการที่คล้ายๆกัน ไม่ว่าจะผ่านไปตรงไหนก็จะทํากระบวนการนี้แต่นะเหมือนการเวลาที่เรามีสติเนี่ยจิตอาจจะสงบบ้างจิตอาจจะไม่สงบบ้างอาจจะมีการห้ามการข่มจิตบ้างอาจจะมีความที่จิตนิ่งบ้างสบายบ้างแล้วนะเราพยายามหามุมหาแงา่หาความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้ไปนั่นะก็จะทําให้จิตของเรานั้นละเอียดลงไปได้สมัมมาวายามะเป็นเครื่องมือสมัมมาสติเป็นเครื่องมือนะสมัมมาสมาธิเป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้จิตของเรานั้นละเอียดเหมือนกับทองคำที่ผ่านการหลอมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันที่ตองสัมมาสมาธินี่แหละท่านฟังหนาที่จะเป็นจุดที่หลอมทั้งหมดสัมมาสมาธิคืออะไรคือสิ่งทั้งเจ็ดอย่างเอาเอาสมมาทิฏิมาเอาสัมมาสังกปะมาเอาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะแล้วก็สัมมาวาจานเอา7องค์ของมรคเนี่ยอันแรกมา เอามารวมรอบล้อมรอบจิต ท, ที่เป็นหนึ่งจิตของท่านผู้ฟังที่เป็น1แล้วแล้วมีสัมมาทิฏฐิสัมมา speakers, สังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะและสัมมาสติแะแวัดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่แนาจิตที่เป็นหนึ่งนี้นี่คือสมาสมาธิจิต ท, ที่เป็นหนึ่งนี้อยู่ตอนไหนมันต้องได้ทุกตอนนนาไม่ใช่ oh เฉพาะเวลาที่เราอยู่ในท่านั่งหรือไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราไปวัดหรือไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราอยู่ในห้องพระ แต่ต้องเป็นเวลาที่ได้ตลอดเวลานั้นนี่คือจะละเอียดมากแม้จะดีมากจะนุ่มนวลเหมือนก็ะทองคำที่เป็นทองแท่งมีรัศมีเนื้ออ่อนเหมาะสมกับการงานของช่างทองนัใครได้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ที่ดีที่เป็นมงคลที่เป็นสิริกับตรงนั้นกับคนนั้นได้จิตแบบนี้เราไปอยู่ในที่ไหนไม่ว่าจะที่บ้านที่โรงเรียนที่ทางานจะเป็นสิริจะเป็นจิตที่ดีมากทีเดียว ซึ่งถ้าเราทําได้อย่างนี้นันก็เหมือนทองคําที่บริสุทธิ์นั่นเองเอาไปทําอะไรได้โอ้ยเอาไปทําอะไรก็ได้นั่นรอเป็นพระพุทธรูปก็ได้ทําต้มหูนันทำสร้อยคอทํากําไรดีได้หมดทุกอย่างนั่ทองคําที่ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยที่ขึ้นรูปออกมาเป็นสิ่งสวยงามแล้วเนี่ยจะเอาไปทําให้มันสกปรกเนี่ยมันก็จะหมุนหมองแค่ตรงผิวโอามาล้างใหม่มันก็ยังดีเหมือนเดิมนัซึ่งตรงนี้ใครก็ตามที่ ได้จิตแบบนี้ใครก็ตามที่มีเครื่องประดับแบบนี้เนี่ยเขาต้องรักษาให้ดีเลยเขาจะไม่ไปเอาไปตากแดดตากลมตากฝนให้มันเศร้าหมองอีกเหมือนกันถ้าเรามีจิตแบบนี้หรือเราพยายามที่จะฝึกจิตให้เป็นแบบนี้ได้ได้วบๆ๊อแบบแบบมีบ้างนะเราควรจะรักษาจิตแบบนั้นให้ดีและด้วยการที่อะไรแต่เขารักษากันยังไง ร, รักษาตรงคำเขาต้องเก็บอย่างดีห่อด้วยผ้าที่มาจากแกลนกาสีแลใส่กล่องอย่างดี นะเป็นระยะเวลาเอาออกมาทําความสะอาดามาขัดบ้างนี่ก็เรียกเก็บอย่างดีถึงเวลาออกมาใส่บ้างไปใช้บ้างนะไม่ใช่ออกไปเดินตลาดซื้ออาหารตลาดสดอย่างนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเราก็เหมือนกันนะจิตเรามีอย่างดีอย่างนี้แล้วเราใช้ให้ดีเก็บให้ดียังไงเรียกเก็บให้ดีนะต้องเก็บด้วยสตินะเก็บจิตเอาไว้ด้วยสติรักษาจิตเอาไว้ด้วยสตินะสติไปไหนไม่ว่าจะคุณจะไปไหนก็แล้วแต่เนื้อใต้ออกตก ถ้าคุณมีสติปัฏฐานสี่นั่นชื่อว่าเป็นที่เก็บจิตของคุณอย่างดีเอามาใช้เวลาไหนเอามาเวลาไหนก็ได้ที่มีผัสสะมีผัสสะมากกันกระทบคุณใช้จิตได้ทันทีจิตแบบนี้คุณนามาใช้ได้แต่ถ้าผัสสะมันหนักเกินไปนะอา้าวจิตคุณจะเริ่มแตกลนะ่ะก็ต้องคอยระวังรักษาจิตของเราให้ดีด้วยสติเหมือนกันบัดนั้นถ้าเรารักษาจิตอย่างนี้นนทําจิตให้ค่อยๆเป็นไปนนด้วยตามกระบวนการอย่างนี้เราจะาทาจิตของเราเนี่ยให้สะอาด ให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างทองคําที่เขามาจากสินแร่ทองคําเศษดินเศษทรายอะไรใครคิดว่าจะเป็นทองคำเอามาผ่านการล้างล้างไม่ใช่ล้างรอบเดียวล้างสามรอบไอแต่ละ3มรอบนั้นก็ต้องล้างอีกล้างอีกล้างอีกจนกระทั่งมันสะอาดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแล้วต้องมาเป่ามาล่อ ม, มาผ่านการเผานะเหมือนกันเรารักษาศีลดีแล้วเรามีสัมมาสังกปปะแล้วเราใส่สัมมาวายามะเข้าไปเผาใส่ตะบะเข้าไปนะจิตของเรามันออกมาอ่อน ให้จิตของเราออก ال. มาเหมาะเหมาะแก่การที่จะรู้ตามที่เป็นจริงเหมาะแก่การที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเหมาะแก่การที่จะเข้าใจในเรื่องจริงที่เรามีอยู่เหมาะแก่การที่จะเข้าใจในพัสดเราทำอย่างนี้เราจะได้ทรัพย์สินที่มีค่าเป็นอริยทรัพย์เป็นของที่มีหาค่าไม่ได้เลยทองคำนี่ขเขายังขโมยไปได้ราคาบางทีมันขึ้นลงตามตลาดโลกใจเราก็ขึ้นลงตามราคาทองคาไปด้วยโอทองคำชันจะราคาเท่าไหร่ขึ้นแล้วตกแล้ว แต่ถ้าเรามีทรัพย์อย่างนี้ในใจความจิตที่จิตแน่วแน่เป็นอารมณันเดียวความที่จิตอ่อนเหมาะกวนใจการงานความที่จิตเป็นจิตที่ใสสว่างใครจะเอาของเราไปไม่ได้เป็นจิตที่เวลามีอะไรมากระทบมันก็ไม่ขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบตรงนี้แต่ทำฟังเป็นอริยทรัพย์เป็นกําลังของเราเวลาเราไปไหนเรามีสิ่งนี้ไปด้วยแม่มันสบายใจมันอุ่นใจมันมั่นใจเหมือนนักรบที่เขามีอาวุธคู่กายไปไหนเขาก็มีความมั่นใจ เข้าสู่สมอระพุมไหนเขาก็มีความแกล้ากล้าหานถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้เราไปที่ไหนเรามีสติเรามีธรรมะเป็นผู้พึ่งตนเป็นผู้พึ่งธรรมมีตนเป็นประทีปมีธรรมเป็นประทีปที่นั่นก็สว่างขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะสื่อสร า, าอรกับทรรรายการเขียนมาเลขที่1หมู่แปดตำบลดอนไฮโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์สี่หน หรือไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมาน d c o m p u r e d h a m m a c o m แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระให้บุญพี่บุนโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร